หนึ่งจารณะทุกกะสองเสห์ทุกกะทุกกะเป็นต้นสี่ิบสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปติปัจจใจมีหนึ่งวาระละถึงวิปากะปัจจใจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่วิปวิจักเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจใจมีสองวาระสี่สิบห้า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 ละถึงวิปากะปัจจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหนึ่งรสารณทุกขาเจ็ดจุลันตระทุกขาสี่สิบหอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งยอ่อเหตุ ป, ปัจจใจมีห้าวาระ อารามณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้ย่อเหตุปัจจัยมีหวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหวาระ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 อวิคตาปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้และถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปลาสปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ หนึ่งร้สารณทุกกะ14อาจาวะโคโชกะสีสเจอาศัยเจพาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอาจาวะยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จั์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระไม่มีวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จั์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะย่อเหตุตุปปัจจัยมีห้าวาระ อารามณะปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สัมพยุตด้วยอาสวะย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ซึงไม่วิปยุจจากอาสวะยอ่อทุกปัจจัยมีปัจใจและหนึ่งวาระไม่มีวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระอรมณ์ปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปลาสปัจจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจใจมีห้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปย um ุจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่วิปยุจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะย่อ Saint, Bat ทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่วิปยุจจากอาจวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะย่อทุกป <t> ัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่วิปยุจจากอาจวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งร้อยสรณะทุกกะยี่สิบสัญโยชนะทุกกะเป็นต้นสี่สิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัด ร, ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นสังโยทยอ่อเฮตุปัจจัยในห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาร ะ, รจจาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อาวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสี่สิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นปรามาตย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 ห้าสิบห้ามหันตระทุกะห้าสิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นจิตยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึง วิปากปัจจยัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตรร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอระมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตรร้องไห้ซึ่งไม่สัมพยุด้วยจิต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 ซึ่งไม่แยกเปิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิบเอ็ดอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัด ร, ร, ร, ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่รคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ ซึ่งไม่ใช่รักขนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่รักขนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นภายในย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นภายนอกย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอุปาทาน ยอ่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระอาศัยจภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัด ร, ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่คำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิยึดถือยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิเชยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งสารณทุกะ 69. อุปาทานธุกกะเป็นต้นห้าสิบสอง อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัต์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอุปาทานย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบสามอาศ un ัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นกิเลสย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ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 ซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยภจปธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยภจปธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยภจปธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้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 ซึงมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระไม่มีวิปากห้าสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งไม่มีวิจารณ์ยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระ อารามณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์ยอ่อเฮตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระห้าสิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีปิติ อาศัยสภาวธรรมที่ไ oh, ม่เป <com> ็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่สะหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่สะหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่สหรคตด้วยสุข อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งไม่สหรคโคดูเบขายอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระธรรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่สะหรคโคดูเบขายอ่อ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 ละถึงวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นรูปาวจรยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระ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 ยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอายาสายจภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นยอ่อทุก ป, ปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระไม่มีวิบากหกสิบ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยแล้วหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 ซึ่งมิใช่ไม่มีทรรอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอาระมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาพึงขยายชหชาตะวาระปัจญะวาระนิสยวาระสังสถาวาระสัมยุญตวาระ และปัญหาวาระให้พิสดารธรรมปัจจ尼ยะทุกกะทุกกะประทานจบปัจจิยปัะฐานจบพระอภิธรรมปิดกธรรมานุโลมปัจจิยะเตระประทาน ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งภูสลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจะจะเจตุขไนเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่เป um ็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที <leaves> ่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญญากริอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นก no ุศลและที broken, ่ไม่เป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที illing, ่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สาและจิตตะสมุทารูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยา ก, กตะวิบากและที่เป็นอัพยกตะกริยากเกิดขึ้นละถึงในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปสาอาศัยมห ah าภูตรูป 1, ห, หนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยามหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุท า, ทารูปอาศัยามหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ที่เป็นอัพยกตะวิบากและถึงในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ที่เป็นอัพยกตะวิบากและที่เป็นอัพยกตากริยาย่อสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศ ล, ลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัปกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัปยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัปกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัปยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เป็นไปในวาระนี้เพิ่เพิ่มเป็นสิเก้าวาระอารมณปัจจัยาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้น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 อธิปติปัจจัยมีสิบเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหาชาตะปัจจัยมีสิบเก้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบวาระปัจญจิยะนะเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจใจหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที Infinity ่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกพยากฤิเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกพยากฤิเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัย 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะน่ะอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยย่อนณะเหตุปัจจัยมีหกวาระณนะอารมณปัจจัยมีสิ้าวาระณนะอธิปติปัจจัยมีสิบเ้าวาระและถึงนกกรรมปัจจัยมีเก้าวาระและถึงณอาหารปัจจัยมีสามวาระและถึงนมรรคปัจจัยมีสามวาระและถึง โนวิคตะปัจัยมีสิบห้าวาระพึงขยายปัจนิยะให้พิสดารพึงขยายสหชาตาวาระและปัจจยะวาระให้พิสดารในปัจจยะวาระเหตุปัจจมีมี26วาระอรมะณะปัจัยมีสิบแปดวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี26วาระนิสยวาระสังสัทธวาระและสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ ถืก่เจ็ปัญหาวาระปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมะณปัจจัย 8. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากริดโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยกฤะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยเกสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล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 สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย10สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล โดยระมณะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลโดยระมณะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตโดยระมณะปัจจัยมีหกวาระย่อ 11. เอหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณะปัจจัยมี18วาระ อธิปติปัจจัยมี17วาระอเนนตระปัจจัยมี16วาระสมนันตระปัจจัยมี16วาระสหชาตตปัจจัยมี19วาระอัญญะมัญญะปัจจัยมี9้าวาระนิสียปัจจัยมี26วาระปุปปาเนสียปัจจัยมี18วาระปุเรชาตตปัจจัยมีหกวาระปัจชาชาตตปัจจัยมี9้าวาระอาศัยวะนปัจจัยมี9้าวาระ กรรมปัจจัยมีสิบสามวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระอหาระปัจจัยมีสิบสามวาระละถึงมรรคปัจจัยมีสิบสามวาระสำยุตตปัจจัยเนี9วาระวิบิยุตตปัจจัยมีสิบสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิหกวาระพึ่งขยายปัญหาวาระให้พิดาร